อย่าหลงในปัจจัยทายทาน10ระบวชมาแล้วเราอย่ามาหลงในปัจจัยทายทานที่ญาติโยมนํามาถวายส่วนใหญ่ของที่เขาถวายมีแต่ของดีๆอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีตามยุคตามสมัยเรื่อยจุดมุ่งหมายของการบวชเราไม่ได้ต้องการมาเอาสิ่งเหล่านี้อย่าเป็นผู้มีรสนิยมสูง นักบวชเราควรใช้สิ่งของที่จําเป็นและต้องประหยัดถ้าของมันเหลือเฟือก็จัดจ่ายไปให้คนอื่นเขาใช้สอยกันความเจริญของพระมันอยู่ที่จิตใจของเราไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเป็นผู้อยู่เหนือโล ก, กธรรมไม่ให้ลาบยศสรรเสริญมาครอบงำจิตใจบางทีพระเนนก็มากเกินไปชอบขอของจากพ่อจากแม่จากเพื่อนฝูง เรามาบวชมาปฏิบัติแล้วยังไปรบกวนมันเป็นสิ่งที่น่าละอายแก่ใจบางคนก็ไม่ยอมใช้ของสงของที่มีอยู่ในวัดพอจะมีโยมเลื่อมใสก็ชอบสั่งเขาบางทีก็ว่าจะเอาไปถวายครูบาอาจารย์องนั้นองน์นี้ความเป็นจริงแล้วครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ยินดีในสิ่งเหล่านั้นท่านยินดีในการประพฤติปฏิบัติของลูกศิษย์ ที่เป็นผู้มีความน่าไว้เนื้อเชื่อใจในข้อวัดการปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนสหาธรรมิกผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไม่นำความเสียหายมาสู่พระบาอาจารย์เพื่อนฝูงว่าเป็นคนดีแต่พูดแต่ปฏิปทานนารังเกียจให้เราทุกท่านถือว่าเรามากะตัญยกะตะเวทีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ ท, ท, ท่าน